บทที่6กห น, น, นห่วยการเรียนรู้ที่8การคำนวณหาค่าความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการเรียนเมื่อเราบันทึกข้อมูลลงในตารางค่าเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจเราจะทราบภาพรวมของความพึงพอใจต่อการเรียนโดยการคำนวณหาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้บทเรียนออนไลน์มีการกำหนดเกณฑ์ระดับความพึงพอใจไว้3ระดับดังนี้คือ 3. หมายถึง ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนในระดับมาก 2. หมายถึงผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนในระดับปานกลางและ 1. หมายถึงผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนในระดับน้อยจากนั้นเราจะได้ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียน